เมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสดได้ในที่นี้จักขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาคานาสัมผัสสัชาเวทนาจิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายาสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหา ย่อมละเสดได้ดับเสดได้ในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโหตภพสัญญาธรรมสัญญาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสดได้ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโหตภะพาสัญเจตนาธรรมะสัญเจตนา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 ธรรมวิตตกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหายอมละเสยได้ดับเสยได้ในที่นี้รูปรว า, ราวิจารณ์สัทธวิจารย์คันธะวิจารณ์รถวิจารณ์ปทัพพวิจารณ์ธรรมะวิจารณ์เมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหายอมละเสดได้ดับเสยได้ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ